พระวินัยกับกฎหมายบ้านเมืองพระภิกษุไปต่างประเทศสิ่งของบางอย่างเขาห้ามนำออกหรือห้ามนำเข้าจะนำออกนำเข้าต้องเสียภาษีได้รับอนุญาตจากด่านสุลกาการและก็เสียภาษีตามกฎหมายแต่ถ้าพระภิกษุไปซ่อนสิ่งของหนีภาษีพอนำของนั้นผ่านด่านตรวจพ้นไปได้ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จับไม่ได้ พระภิกษุก็เป็นอาบัติเป็นอาบัติปาราชิกยกตัวอย่างเช่นทางผ่านเขตแดนอย่างหลวงพ่อเคยไปที่ประเทศลาวบุรีเขาอนุญาตให้นำออกไปได้200ร้อมวลนำเข้ามาได้2 0 0มวลโดยไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องเสียภาษีถือว่าเป็นของใช้สำหรับตัวแต่ถ้าหากว่าพระภิกษุไป น, นำบุรีมาเกินกว่า200มวล เป็นการผิดกฎหมายเป็นการหลบภาษีพระพิสุนนำผ่านด่านนั้นไปพอพ้นเขตไปเท่านั้นต้องอาบัติป ร, ราชิกในบางครั้งบางทีพระอาจจะไปเห็นของชอบใจเช่นเห็นปักกาเห็นนาฬิกาที่มีราคาและนึกชอบใจคิดว่าเราจะขโมยเอาของนี้แล้วก็ไปหยิบของให้เคลื่อนไปจากที่ของมันพอของนั้นเคลื่อนจากที่เท่านั้นพระต้องอาบัติป ร, ราชิก เมื่อมานึกได้ว่าขโมยของท่านเป็นอาบัติประราชิกและเอาไปวางไว้ตามเดิมอาบัตของพระก็ไม่คืนดีมาอย่างเก่าเพราะมันขาดตั้งแต่วาระแรกแล้วและวินัยนี่มันแตกต่างกับกฎหมายมีอยู่อันหนึง่งพระภิกษุก่อโกรธแค้นนายอและไปจ้างนายอให้ไปฆ่านายอถ้าหากว่านายอผู้รับจ้างมาฆ่านายอตาย พระต้องอาบัติประราชิกแต่ถ้าหากว่านายคอผู้รับจ้างไปจ้างนายงอต่อแล้วนายงอมาฆ่านายคอตายพระไม่เป็นอาบัติประราชิกตามพระวินัยแต่ถ้าเป็นกฎหมายเป็นการสมรู้ร่วมคิดแต่วินัยเนี่ยไม่เป็นอาบัติประราชิกเพราะพระจ้างนายคอแต่นายคอไม่ไปปฏิบัติด้วยตนเองไปจ้างคนอื่นมาทาหน้าที่แทนเพราะการจ้างวานคนต่อไปนั่น เป็นเรื่องของในคอแต่พระพ้นไปแล้วอันนี้วินัยท่านบัญญัติไว้อย่างนี้แต่ถ้าเป็นกฎหมายเขาก็ว่าสมรู้ร่วมคิดกันอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวินัยซึ่งเป็นอกรณียกิจคือกิจที่ไม่ควรทำ